อนาปติวานพิคชณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1นึ1งิบเอ็หนึ่งพิคชนีที่ทายกไม่ได้นิมนต์สองพิคชนียังไม่ห้ามพัฒหารสามพิคชนีดื่มข้าวต้มสี 4, ่พิคชนีบอกเจ้าของแล้วฉันห้าพิคชนีฉันของที่เป็นยาวกาลิกสัตตาหกาลิกและยาวะชีวิตเมื่อมีเหตุผลจําเป็น 6. กพิคชณีวิกชนจริต เจ็ดพิษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่4ีจบ